ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่16โดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบั น, นจจบาถามในเมื่อชีวิตเราคือขันห้าที่มาประกอบกันอยู่ตัวตนที่เรายึดติดอยู่ในความเป็นจริงแล้วไม่มี และกระบวนการของกรรมที่ส่งผลถึงชาติหน้านี้มีหรือเปล่าครับถ้ามีอะไรคือส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างชีวิตในชาตินี้กับชีวิตในชาติหน้าครับขอบคุณครับตอบมีเรื่องคล้ายๆกันนี้ในพระสูตรชื่อมหาปุณณมาสูตรเล่าถึงคืนวันหนึ่งที่ประจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งคิดขึ้นว่า จเจริญล่ละตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าก็แล้วใครเป็นผู้ทํากรรมใครเป็นผู้รับผลของกรรมอันที่จริงที่เรารู้สึกว่าคือตัวเรานั้นก็คือก้อนธาตุก้อนขันนี้เองเมื่อจิตไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เข้าไปยึดถือและสำคัญมั่นหมายว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าทั้งที่ไม่สามารถควบคุมบังคับขันห้าเอาได้ตามใจเราแต่อย่างใด แต่ขันห้าที่ประชุมกันเข้าและมีจิตครองด้วยความสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเรานั้นก็ทำกรรมแล้วรับผลของกรรมสืบต่อกันไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงหมดความยึดถือในขันห้าแล้วเท่านั้นจิตจึงเลิกทำกรรมขันก็ทำหน้าที่ของขันไปตามธรรมชาติจนหมดเหตุปัจจัยของมันเท่านั้นเองลองอ่านพระสูตรเพิ่มเติมเอาเครับหน้าอ่านมากทีเดียว เป็น ล, ล า, าใจย่ยรังบงถามธรรมชาติรับรู้คืออะไรครับไม่ใช่จิตแล้วเป็นอะไรตอบธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละครับเพียงแต่เมื่อจิตไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดนึกปรุงแต่งหรือสังขารขัน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 ปนวาสรถามการรู้สภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงหมายถึงเรารู้สิ่งที่กําลังเกิดตอนนั้นว่าเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรและไม่เข้าไปยึดมั่นใหมามั่นใช่หรือเปล่าตอบเราเพียงรู้สภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อย่างเดียวก็พอครับ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 ไม่ใช่ไปกดข่มไม่ให้จิตยินดียินร้ายนะครั บ, าบราถามจิตใจที่มั่นคงไม่หวันไหวต่ออารมณ์นี้เป็นอย่างไรครับจะได้มาด้วยวิธีใดต้องเผชิญโลกจนกล้ากระด้างหรือโดยหนทางอื่นตอบ จิตที่ไม่หวั่นไหวกับจิตที่ด้านชานั้นเป็นคนละอย่างกันการที่ได้รับความทุกข์มากๆไม่ได้ทำให้จิตมั่นคงและเป็นกลางมิฉะนั้นสัตว์นรกคงมีจิตที่มั่นคงกันหมดแล้วส่วนจิตที่จะมั่นคงและเป็นกลางได้เมื่อกระทบอารมณ์นั้นต้องเป็นจิตที่อบรมจนเกิดปัญญารู้เท่าทานโลกตามความเป็นจริงแล้วเท่านั้นจิตจึงจะหมดความกระสับกระส่ายไปกับกระแสของโลก แ, แมรา็ญญาถามเวลาไปงานบุญตามสถานที่ต่างๆที่มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายพระป่ามาร่วมงานผมอยากจะเรียนปฏิบัติธรรมกับครูอาจารย์บ้างแต่ไม่กล้าถามพอรอฟังเทศก็ ย, ยังไม่ได้คำตอบโดนใจควรจะทำอย่างไรครับ ถ้าเข้าไปถามท่านขอเรียนทำจากท่านโดยตรงเลยจะดีไหมตอบในการศึกษาธรรมจากพระป่าการที่เราจะได้พบท่านนั้นอย่ามัวรอฟังเทศอย่างเดียวเพราะการเทศนั้นคนฟังมีจำนวนมากท่านจะต้องเทศลดระดับลงให้คนทั่วไปฟังได้ส่วนมากจะเป็นเรื่องการทาทานรักษาศีลเป็นหลัก แม้การภาวนาก็จะเป็นหลักเบื้องต้นเท่านั้นหากจะศึกษาธรรมกับพระป่าต้องใจกล้าคือหาโอกาสเข้าไปกราบท่านตามลาพังและกราบเรียนท่านว่าอยากจะปฏิบัติธรรมและขอแนวทางจากท่านท่านจะบอกให้เป็นการเฉพาะตัวก็ให้เรานำมาปฏิบัติอย่างจริงจังพอพบท่านคราวต่อไปก็อย่าหลบหน้าให้เข้าไปรายงานผลการปฏิบัติให้ท่านฟังว่า ที่ท่านสอนอย่างนั้นๆเราทำแล้วมีผลอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดอันนี้เป็นการส่งการบ้านให้ครูตรวจนั่นเองถ้าเราทำผิดท่านจะบอกวิธีการแก้ไขให้ถ้าเราทาถูกแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าเราควรปฏิบัติอย่างใดต่อไปท่านอาจให้ปฏิบัติตามเดิมไปก่อนเพราะยังไม่พอหรือเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีก เราก็ต้องไปทำและกลับมาส่งกันบ้านในโอกาสต่อไปที่ผมศึกษากับพระป่ามาก็ด้วยวิธีนี้เราจะต้องตื่นตัวภาคเพียงทำกันบ้านให้สม่ำเสมอมิฉนั้นเวลาเจอท่านก็จะต้องคอยหลบซึ่งเราเองคือผู้เสียประโยชน์หรือถ้าไม่หลบและต้องไปรายงานท่านว่าที่หลวงปู่สอนไว้นั้นผมหรือดิฉันไม่ค่อยได้นาไปปฏิบัติเลย แบบนี้ท่านก็ไม่ทราบว่าจะสอนเราอย่างไรต่อไปได้แต่บอกให้พยายามทําต่อไปเท่านั้นคนที่เสียโอกาสก็คือเราเองนั่นแหละเวลาที่นักปฏิบัติมารายงานผลการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากแม้เพื่อนนักปฏิบัตอิอื่นๆก็ชอบฟังด้วยเพราะจะได้สราบประสบการณ์ที่กว้างขวางออกไปและจิตใจก็จะเกิดความฮึกหานตั้งใจปฏิบัติไปด้วย ปกติพระป่าท่านไม่สอบอารมณ์กันเพราะไม่จำเป็นเพราะนอกจากลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องส่งกันบ้านด้วยตนเองแล้วถ้าเราคุ้นเคยกับท่านเวลาเราปฏิบัติไม่ดีท่านเห็นหน้าท่านจะอบรมสั่งสอนให้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งถามเราว่าทำมาอย่างไรเพราะของอย่างนี้มองปราดเดียวก็หมดไส้หมดพุงกันแล้วลองดูเถอะครับแล้วต่อไปจะเข้มแข็งห้าวหาญยิ่งขึ้น คือเพราะได้พูดคุยคุ้นเคยกับท่านแล้วอาจจะได้ขอตามไปปฏิบัติที่วัดของท่านแล้วได้ประสบการณ์ตรงจากการไปปฏิบัติตามวัดป่าได้พบครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมากมายได้พบเพื่อนผู้ปฏิบททัติธรรมใหม่ๆที่เข้มแข็งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยอย่าปิดตัวเองอยู่แค่การมาศึกษากับผมหรือรู้จักอยู่แค่ศาาลุงชิน โลกของนักปฏิบัติยังกว้างใหญ่และรอเราไปสัมผัสขอเพียงมีใจรักและตั้งใจจริงเท่านั้นจจจจิิ่งกกงงงกกาาาาลลททวนนนสัจจนัััั้เมปญญพพถามขอส่งกันบ้านบ้าง น, นะครับวันก่อนหลังจากทำงานบ้านเสร็จจึงได้มานั่งพัก จู่ๆก็เกิดความสุขขึ้นมาในขณะนั้นเองใจก็มองดูความสุขที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่นั้นดูเฉยๆอย่างไม่จงใจและใจก็ไม่สายไปไหนด้วย mm. เมื่อดูต่อเนื่องไปได้ระยะเวลาหนึง่งใจก็เห็นว่าความสุขนี้ไม่ใช่ตัวเรามันอุทานออกมาอย่างนั้นเองและเห็นว่าความสุขนั้นก็ส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้นั้นก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกัน นอกจากนี้ยังเห็นอาการที่เดิมเคยคลอเคลีย์อยู่ในสุขนั้นค่อยๆ ค, คลายออกมาเป็นตั้งมั่นดำรงอยู่เฉยๆตั้งหากจากความสุขอันนั้นจนใจเองได้อุทานออกมาอย่างที่ไม่ได้คิดและไม่ได้จงใจตอบถ้าจิตตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้อารมณ์จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งปวงจะเป็นกายเวทนาหรือกระทั่งจิต ก็ล้วนแต่เป็นไตรลักษ์ทั้งสิ้นโดยเราจะเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษ์บางคนจะเห็นความไม่เที่ยงบางคนเห็นความทนอยู่ไม่ได้หรืออย่างคุณเห็นเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่เราต้องให้จิตมันเห็นของมันจริงๆด้วยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเท่านั้นจิตจึงจะยอมรับความจริงได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ล่ะครับเมื่อใดจิตเห็นจริงว่าจิตไม่ใช่เราสักยทิฏฐิจะขาดทันที และไม่กลับฟื้นมาอีกสำหรับที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราอันนี้ก็แสดงว่าเดินมาได้ดีแล้วครับแต่สักยทิฐิยังไม่ขาดเพราะความเห็นว่าจิตเป็นเรายังคงอยู่อย่าอยากอย่าเร่งร้อนนะครับตอนนี้จำทางได้แล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจิตมักจะไปปรุงแต่งสภาวะนั้นขึ้นมาด้วยความอยากและเพราะมันจาทางได้ตรงนี้แหละครับ ที่สัญญามันจะปิดกั้นปัญญาตัวจริ ง, ง, ทงบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่16อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรนรีโสภา